มาละบาปมาชำระใจให้สาบริสุทธิ์ด้วยความศรัทธาความเชื่อว่าบุญนี้คือความสุขใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้บุญนี้คือความสุขใจนี้ เป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะบุญน <t> ี้อยู่ที่ใจเป็นของใจส่วนสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางร่างกาย เป็นความสุขของร่างกายเวลาที่ไม่มีร่างกายความสุขเหล่านี้ก็จะหมดไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไปายามสร้างความสุขใจไว้ให้มากๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกเวลาที่เราไม่มีร่างกาย หาความสุขให้กับเราเรามีความสัมรองที่ดีกว่าเหมือนกับที่บ้านเรามีเครื่องปั่นไฟฟ้าสัมรองไว้เวลาไฟดับเราก็จะไม่เดือดรอ้อนเพราะเรามีเครื่องปั่นไฟสัมรองไว้ฉันใดความสุขใจนี้ก็เป็นความสุขที่เราสามารถ เอาอกมาใช้ได้เวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่สบายจะไม่สามารถหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้ เราก็ยังมีความสุขทางใจได้ถ้าเราหมั่นสะสมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขทางใจกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะมาสร้างความสุขทางใจกันสักครั้งหนึ่งไว้สำรองรับเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้ เสือมไปหมดไปหรือเราไม่สามารถหามาใหม่ได้เราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานใจคนที่ไม่มีความสุขทางใจไม่มีบุญไม่มีกุศลนี้เวลาสูญเสียความสุขทางร่างกายไปจะร้องหหมร้องห้า่เศร้าสศกเสียใจ เช่นเวลาสามีหรือภรรยาต้องตายจากไปหรือว่าไปมีคนใหม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวถ้าเราไม่มีความสุขใจไม่ได้มีบุญไม่มีกุศลสะ ส, สมไว้อยู่ภายในใจของเราเวลาที่เราสูญเสียความสุขทางร่างกายไป เราจะเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าไม่เคยคิดที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างความสุขทางใจกันนั่นเองดังนั้นพวกเราจงอย่าประมาทให้เราหมั่นสร้างความสุขทางใจ ไว้รองรับเวลาที่ความสุขทางร่างกายมีอุปสรรคมีเหตุเป็นไปที่ทำให้เราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เราจะมีความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่ามาดูแลเรามาให้ความสุขกับเราแล้วถ้าเรา ได้สัมผัสกับความสุขทางใจนี้มากขึ้นจะทำให้เรานี้เบื่อกับความสุขทางร่างกายต่อไปเราก็จะไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายเลยมีสามีก็แยกทางกันได้มีภรรยาก็แยกทางกันได้อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่า เพราไม่ต้องมาหวงมาห่วงมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาคนที่เรารักต้องจากเราไปนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำกันเพราะว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไป เพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนร่างกายนี้ต้องมีวันเป็นไปต้องแก่ลงไปเรื่อยๆต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดดังนั้นเราอย่าไปฝากความสุขของเราไว้ที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวเราควรที่จะ หันมาฝากความสุขไว้กับใจของเราบ้างด้วยการทำบุญล้างบาปชาระใจให้สะอาบดบริสุทธิ์นี่คือวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขทางใจที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนเวลาที่เราขาดความสุขทางร่างกายไปการทำบุญนี้ ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าทำบุญทำบุญก็คือการทำความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาในรูปแบบของบุญคือความสุขใจถ้าเรามีเงินทองเข้าของมากเกินความจาเป็นเกินความต้องการของเราถ้าเราไม่ต้องเก็บเอาไว้ ก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นการแบ่งปันเงินทองเข้าของนี้ก็เป็นการแบ่งปันความสุขนั่นเองผู้ที่ได้รับเข้าของเงินทองจากเราเขาจะมีความสุขเขาจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนให้กับเขาการให้ความสุขแก่ผู้อื่น ก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างวันนี้ญาติโยก็เอาความสุขมาให้กับพระภิกษุสา ม, มเณรที่ต้องรอรับความช่วยเหลือต้องรอรับกับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ พระภิกษุสา ม, มเณรก็จะไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้และอาจจะต้องสิ้ขาลาเพศกันไปแต่ถ้ามีพวกเราคอยนำเอาข้าวของขกับข้าวกับปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายาพระภิกษุสมมามเณรพระภิกษุสา ม, มเณรก็จะ มีความสุขแล้วเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจเพราะเรารู้ว่าเวลาที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขนี้เราจะเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือการทำบุญด้วยการแบ่งปันด้วยการให้ของของเงินทองที่เราไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ ถ้าเราไม่มีเข้าของเงินทองที่จะแบ่งปันเราก็ยังมีร่างกายที่เราสามารถนำไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นได้เช่นไปช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเรามีเวลาว่างมีผู้ที่เขาเดือดร้อนเช่นคนแก่คนชาราไม่ม่นิไทดูแลเลี้ยงดู ถ้าเรามีเวลาพอจะแบ่งไปดูแลเขาได้ไปช่วยเขาได้ถึงแม้เราจะไม่มีงเงินมีทองเพียงแต่ไปช่วยกว่าบ้านถูบ้านไปช่วยล้างถ้วยล้างชาไปช่วยซักเสื้อผ้าช่วยอาบน้ำอาบท่าให้คนแก่คนพิการเราก็จะได้บุญกุศลได้ความสุขใจขึ้นมา พวกเราอาจจะคิดว่าการทำบุญนี้ต้องทำกับพระภิกษุสา ม, มเณรถึงจะได้บุญความจริงแล้วบุญนี้ทำกับใครก็ได้ทำแล้วเกิดความสดใจขึ้นมาก็เรียกว่าบุญแล้วแม้แต่เดรัจฉานเราก็ได้บุญได้ความสดใจเช่นเราเลี้ยงสุนัขจระจัด หรือบางท่านก็มาเลี้ยงสุนัขที่มาอาศัยอยู่ในวัดนี้เอาอาหารเอาอะไรมาให้เอายามาให้บางทีเห็นสุนัขไม่สบายมีโรคมีแผลก็เอาหยุดเอายามาให้อันนี้ก็เป็นการสร้างความสุดใจความสุดใจนี้ก็คือบุญนี้เองดังนั้นบุญนี้เราสามารถ ทำกับใครก็ได้เราจะได้บุญเหมือนกันจะได้บ้างได้น้อยอยู่ที่ใจของเราว่ามีความบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไรถ้ามีความบริสุทธิ์มากก็จะมีความสุขดมากความบริสุทธิ์นี้หมายความว่ายอย่างไรหมายความว่าไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนเช่นเรา ทำอะไรให้กับใครเราไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเราจะได้ความสุขมากแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วเราหวังอยากจะได้สิ่งตอบแทนพอเราไม่ได้แทนที่จะได้ความสุขเราเกิดความเสียใจขึ้นมาเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นการทำบุญการทำบุญต้องให้โดยไม่มีเงื่อนไข ให้โดยที่ไม่ต้องการรับอะไรเป็นผล <c oughs> เป็นสิ่งตอบแทนนอกจากความสุขใจเท่านั้น <c oughs> ถ้าเราให้อะไรกับใครแล้วเราหวังผลตอบแทนสิ่งตอบแทนอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเราเรียกว่าเป็นการค้าขายเป็นการลากเปลี่ยนเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อข้าวของตามร้านค้าต่างๆ เราให้เงินเขาเขาให้ของเราเราไม่เกิดความรู้สึกมีความสุขใจแต่อย่างใดถ้าเราอยากจะมีความสุขใจเราต้องให้เงินเขาแล้วไม่รับของจากเขาอย่างนี้เราก็จะได้รับความสุขใจการบุญนี้คือการให้ไม่ใช่เป็นการรับการรับนี้ไม่เรียกว่าบุญต้องให้เพียงอย่างเดียว ยิ่งให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมากน้อยเพียงไรก็จะได้รับความสุขใจมากน้อยขึ้นไปเพียงนั้นส่วนการที่เราให้บุคคลที่เราต้องเลือกให้นี้ก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึง่งคือการให้นี้เราสามารถให้ได้ในสองรูปแบบให้แบบไม่เลือกกับให้แบบเลือก ให้แบบไม่เลือกก็คือเราต้องการความสุขจากการให้ไม่ว่าผู้รับนี้จะเป็นใครขอให้เขาได้รับความสุขจากการให้ของเราเราก็จะเกิดความสุขแต่ถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์เลื่อนไล่ได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับคืออยากจะได้ความรู้เราก็ต้องไปหาคนที่เขามีความรู้ ไปทำบุญกับคนที่มีความรู้เช่นเราอยากจะได้ธรรมะอยากจะได้ความรู้ทางคำสอนของพระพุทธเจา้าเราก็ต้องไปทำบุญกับพระและพระนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันพระธรรมดาพระผู้ทรงศีลพระผู้มีมรรคมีผลจะมีความรู้ไม่เท่ากัน เขาจึงมีการเปรียบเทียบว่าถ้าทำบุญกับพระธรรมดาพระผู้สงสีนแต่ยังไม่มีมากมีผลก็จะได้รับบุญได้รับธรรมะหนึ่งเท่าแต่ถ้าได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันก็จะได้รับธรรมะสิบเท่าทำกับพระสกิณาคามี ขั้นที่สองก็จะได้รับร้อยเท่าทำกับพระอนาคามีก็จะได้รับพันเท่าทำกับพระอรหันต์ก็จะได้รับหนึ่งเท่าทำกับพระปเจกัพระพุทธเจ้าก็จะได้รับแสนเท่าทำกับพระอรหันต์สัมมาสามพุทธเจ้าก็จะได้ธรรมะหนึ่งล้านเท่าเพราะพระอรหันต์สัมมาสามพุทธเจ้า เป็นผู้มีธรรมะมากที่สุดนั่นเองนี่คือถ้าเราอยากจะได้บุญนอกจากได้บุญแล้วเราอยากจะได้ธรรมะเราจึงต้องเลือกผู้ที่มีธรรมะแล้วเราก็ไปทาบุญกับท่านอย่างวันนี้เรามาที่วัดนี้เรามาทาบุญเราได้ความสุขใจไปแล้วอย่างหนึ่งแล้วเรายัางได้มาฟังเทศฟังธรรม อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้สองต่อได้ทั้งบุญแล้วยังได้ทั้งธรรมะแต่ถ้าเราไปทำบุญกับสุนัขไปเลี้ยงสุนัขเราก็จะได้เพียงต่อเดียวเราจะได้ความสุขใจแต่เราจะไม่ได้รับธรรมะจากสุนัขหรือว่าเราไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเช่นเวลามีฝน ตกน้ําท่วมไฟไหม้คนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารรับประทานเราก็เอาเข้าวของอาหารต่างๆไปให้กับเขาเราก็จะไม่ได้รับธรรมะจากเขาเพราะเขาไม่มีธรรมะที่จะสอนเรนี่คือมีการให้ที่มีการแตกต่างกันเป็นสองรูปแบบ บางท่านก็ให้โดยที่ไม่เลือกให้ไข่ก็ได้เพราะให้แล้วมีความสุขใจบางท่านนอกจากให้แล้วมีความสุขใจแล้วยังอยากจะได้ความรู้ความฉลาดได้ธรรมะท่านเหล่านั้นก็จะต้องไปทำกับพระถ้ามีพระที่ไหนดีๆก็จะไปหาถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลบางท่านนี้อยู่กรุงเทพ แต่อุสาขับรถขึ้นไปทางภาคอีสานไปกราบไหว้ไปทาบุญกับพระสุปฏิปโนทั้งหลายเพราะพร ะ, ะ, ะสุปฏิปโนส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ทางภาคอีสานกันอุตสาหขับรถรับลาไปเดินทางหลายชั่วโมงด้วยกันเพราะอยากจะได้ทั้งบุญและอยากจะได้ธรรมะแต่ถ้าไม่อยากจะได้ธรรมะ ทำที่ใกล้บ้านก็ได้ทำกับพระอาหารหันต์ในบ้านของเราก่อนก็ได้เรามีพระอาหารหันต์อยู่สองรูปอยู่ในบ้านของเรานั่นก็คือพ่อแม่ของเราทำบุญกับพ่อแม่ของเราเราก็ได้บุญได้ความสุขใจพ่อแม่อยากจะได้อะไรเราก็ไปหามาพ่อแม่อยากจะไปไหนเราก็พาพ่อแม่ไป พ่แม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ดูแลรักษาท่านไปพาไปหาหมอพาไปหาโรงพยาบาลไปหาอยู่หายาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างความสุนใจสร้างบุญนี่คือบุญขั้นแรกเรายังมีอีกสองขั้นที่พระเจ้าสอนให้ทําบุญขั้นที่สองก็คือบุญที่เกิดจากการไม่ทําบาสนั่เอง พรเวลาทาบาบนี้ใจจะทุกข์จะร้อนขึ้นมาเวลาไม่ได้ทำบาปใจจะเย็นใจสบายใจจะมีความสุขดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขขั้นที่สองความสุขที่มีน้าหนักมากกว่าความสุขขั้นที่หนึ่งเราก็ต้องไม่ทำบาปคือเราต้องละเว้นจากการฆ่า การลักทรัพย์การประพฤติผิดโอเหมาการพูดปดและการเสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจความสุขใจจะหายไปเลยเวลาที่เราไปทำบาปถึงแม้เราจะได้ทำบุญ พอเราออกไปข้างนอกเราไปลักทรัพย์เราไปทําบาปบุญความสุขใจที่เราได้รับจากการมาทําบุญในวัดนี้จะหายไปจะถูกความไม่สบายใจความทุกข์ใจมาลบล้างไปมากรบไปดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาบุญที่เราได้รับจากการแบ่งปัน ได้รับจากการช่วยเหลือผู้เราก็ต้องทำบุญขั้นที่สองกันก็คือเราต้องไม่ทำบาป ก, กันนี่คือการสร้างการสร้างความสุขใจและการรักษาป้องกันไม่ให้ความสุขใจที่เราได้สร้างขึ้นมาถูกการทำบาปทําทำลายไป เรารักษาศีลได้แล้วเราก็ต้องทำบุญขั้นที่สามต่อไปบุญขั้นที่สามนี้จะมีน้ําหนักมากกว่าขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองคือบุญที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อะไรที่ทำให้ใจเราไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เวลาที่เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความอยากบุญที่เราได้ทำมานี้จะถูกความทุกข์ใจที่เกิดจากความโลภเกิดความอยากนี้ตกไปถ้าเราไม่อยากจะให้บุญที่เราได้สร้างมานี้ถูก ความโลภความโกรธความหลงความอยากนี้กลบไปเราต้องอย่าโลภอย่ากโกรธอย่าหลงอย่าอยา ก, ยากต้องพยายามต่อสู้กับความโลภ ก, กับความโกรธกับความหลงกับความอยากให้ได้วิธีที่จะต่อสู้ก็คือเราต้องแก้ที่ความหลงเพราะความหลงนี้เป็นต้นเหตุของความโลภ ต้นเหตุของความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ความอยากได้นี้ความโลภนี้ก็เป็นต้นเหตุของความโกรธ mm hmm. เวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา ท, าทันทีดังนั้นเราต้องมาแก้ที่ความหลงความหลงคืออะไรความหลงก็คือไม่รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงคือความสุขใจความสุขอย่างอื่นนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลองเพราะว่าทำไปแล้วจะต้องพบกับความทุกข์ใจเพราะความสุขปลองนี้เป็นความสุขชั่วคราวอย่างที่ได้พูดเวลาเราได้อยู่กับคู่รักจะอยู่ได้กับอยู่กับคนที่เรารัก เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่เวลาที่คู่รักของเราจากเราไปตอนนั้นความสุขใจก็จะกลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมายึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์แท้แต่เรามองไม่เห็นกันเพราะใจเราไม่มองไปข้างหน้าเราจะมองแต่เฉพาะความสุขที่เราได้รับในขณะที่ เราได้อยู่กับเขาเท่านั้นแต่เราลืมคิดไปว่าเขากับเรานี้จะไม่ได้อยู่ไปด้วยกันไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องจากกันไปนี่คือความหลงคือไม่ยอมมองความจริงคือความสึ้นสุด ข, ของความสุขตอนนี้ถ้าเรามองเห็นการสึ่งสุดเห็นตอนจบของความสุขตอนนี้ เราก็จะได้ไม่หลงหาความสุขปลอมเราก็จะได้ไม่มีความโลภมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คนนั้นได้คนนี้เพราะเรารู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปนี้ความสุขที่ได้มาก็จะถูกทำลายไปหมดแล้วก็จะได้ความทุกข์มาแทนที่ แล้วเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเช่นเราอยากจะให้คนรักคู่รักเราอยู่กับเราเขาบอกว่าเขาต้องไปทุรละที่นั่นที่นี่อยู่กับเราไม่ได้ไปเที่ยวกับเราไม่ได้พอเขาไม่ไปกับเราเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเรา ไม่มีความอยากให้เขาไปเที่ยวกับเราเขาจะไปไหนหรือไม่ไปไหนเราก็จะไม่โกรธเขานี่คือวิธีชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงไม่ให้มีความอยากต่างๆก็คือการสอนใจของเราให้ฉลาดอย่าไปหลงกับความสุขต่างๆในโลกนี้เพราะว่าเป็นความสุขกลอม เพราะเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่จีรังถาวรเวลาความสุขเหล่านี้เสื่อมไปหมดไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้พบกับความทุกข์ที่แท้จริงดังนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าความสุขทั้งหลายนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะทำความทุกข์ให้กับเรา เราก็จะได้ไม่ไปหาความสุขเล่านี้เราก็จะได้มาหาความสุขแท้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนก็คือมาทำบุญกันให้มากขึ้นมาละบาปกันให้มากขึ้นมาชาระใจของเราให้สะอาดให้มากขึ้นพอเราทำมากขึ้นความสุขใจก็มากขึ้นความสุขปลอมก็น้อยลงไปความทุกข์ ก็จะน้อยลงไปแล้วในที่สุดก็จะไม่มีหลวงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยเพราะภายในใจของเรามีแต่ความสุขใจที่แท้จริงอยู่กับเราเป็นหัวใจนั่นเองนี่แหละคือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงพวกเราควรที่จะเชื่อพระพุทธเจา้าแล้วพยายามทำให้มากขึ้นไปตามลำดับ ตอนนี้พวกเราก็มาทําการอาธิษฐานหนึ่งครั้งต่อไปก็ควรจะเพิ่มเป็นสองครั้งสามครั้งไม่ต้องมาที่วัดก็ได้ทําที่บ้านก็ได้ทําที่ไหนก็ได้ที่ไหนมีคนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือทําไปเราก็ได้แล้วที่ไหนต้องการให้คนมีความสะอาดบริสุทธิ์ไม่ไม่เบียดเบียนไม่ทําบา เราก็รักษาศีลไปได้ที่ไหนไม่ต้องการความโลภความโกรธความหลงเราก็ละได้ละทำได้ทุกแห่งทุกผลไม่ต้องมาวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะทำได้ถ้าพวกเราทำอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อไปเราจะมีแต่ความสุขใจตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์ใจเลยแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยเราจะมีความสุขตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำกันได้ถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามประการนี้คือทาบุญละบาปและชำระ ใจให้สะอาดบริสุทธิ์จึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความสุขใจสร้างความสุขที่แท้จริงนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจนาและปฏิบัติ<ฮ>เพื่อความสุขใจความสุขถาววดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอกเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกรางปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ